ตลนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบกันยายนพุทธศักราชสอง9นห้าร้อยห้าสเก้าเป็นวันที่ท่านทรลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเข้าหา สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยรัตนาก็คือเพ่ดนดินจินดาต่างๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เปรียบเหมือนแพ่ดนดินจินดา เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลมากยิ่งกว่าเพชรเนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเพราะว่ า, วาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นเพชรเนินจินดาข้าวของเงินทองต่างๆไม่าสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรา ให้หมดไปได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้สามารถทำให้เรามีแต่ความสุข ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายพัดพลากจากกันนี่คือสิ่งวิเศษสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่โลกไม่รู้กันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พอ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครสามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย แต่พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีผู้ที่สามารถน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ อย่างที่พวกเรายังเป็นกันอยู่ในตอนนี้ต่อให้พวกเราทามาหากินร่ำรวยขนาดไหนก็ตามเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแต่ความทุกข์ภายในใจที่พวกเรายังมีกันอยู่ในขณะนี้<ม>ก็ยังจะมีต่อไปเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้าน หรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆเช่นความวิตกความกังวลความห่วงใยความหวาดกลัวความเครียดต่างๆความเสีย อ, อกเสียใจความเศร้าโศกเสียใจทุกเหล่านี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะดับมันได้ที่จะทำลายมันได้มีแต่การปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปแล้วสร้างความสุขที่ถาวรที่แท้จริงที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปเราการที่เราได้มาเกิด เป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกๆุกคนนี้อยากจะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทั้งนั้นแต่พวกเราไม่รู้ว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่ดีกว่ า, าล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ไปขึ้นรางวัลเั้านั้น ดังนั้นขอให้เราทราบไว้ว่าตอนนี้พวกเราได้ถูกลอตเตอรี่ที่ดีกว่ารางวัลที่หนึ่งหลายร้อยเท่าด้วยกันจะเรียกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพันครั้งก็ได้เพราะรางวัลที่เราได้รับนี่เป็นรางวัลที่งานถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งก็สู้ไม่ได้คือความสุขที่ถาวร ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวถตอนนี้เราถูกลอตเตอรี่นี้แล้วการถูกลอตเตอรี่นี่ถูกอย่างไรก็หนึ่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่สองการได้พบกับพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นสูตรสำคัญในการที่เราจะได้ถูกลอตเตอรี่ที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีลอตเตอรี่อะไรในโลกนี้จะสู้ได้ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเรามาเกิดเป็นสุนัขเรามาอาศัยอยู่วันเราก็จะไม่สามารถรับรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราได้หรือถ้าว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถรับรางวัล ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราได้เราต้องเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วการที่เราจะไปขึ้นรางวัล น, นี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อหรือไม่ว่าเรามีศรัทธาเชื่อว่าการกระทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนา เป็นการได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ให้หมดไปเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงนำมาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ต่อชีวิตจิตใจของพวกเรายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราคิดว่าการที่เราได้เงินได้ทองได้เป็นใหญ่เป็นโตนี้เป็นความสุขก็ขอให้เรามองว่ามันเป็นความสุขที่น้อยกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา เพราะความสุขที่เราได้รับจากการมีเงินร้อยล้านพันล้านความสุขที่เราได้รับจากการเป็นใหญ่เป็นโตมันมีวันหมดมันมีวันจบมันมีวันที่จะกลับมาอยู่ที่ศูนย์เวลาเราตายไปนี้เงินทองทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นของคนอื่นไปหมดเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ ตำแหน่งใหญ่โตต่างๆพอเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาไปได้เราก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปถ้าเรามัวแต่หาเงินหาทองหาแต่ตำแหน่งต่างๆพอตายไปเราก็จะไปมือเปล่าไปแบบขอทานไปแล้วก็ต้องมารอรับส่วนบุญที่พวกเราทำกัน อุทิศไปให้แต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะได้ความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ละดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดไปแล้วเวลาเราตายไปเราก็สามารถเอาความสุข นี้ติดตัวไปกับเราได้เอาความสุขนี้พาเราไปพระนิพพานพาให้เราไปที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระนิพพานานี้ถ้าจะพูดก็คือเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากที่สุดมากกว่าสวรรค์ชั้นพรหมมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพ มากกว่าความสุขที่ได้จากการมาเกิดเป็นมนุษย์และก็เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพหรือการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเอง เป็นพรหมได้ไม่นานพอบุญที่พาให้ไปเกิดเป็นพรหมหมดไปก็ต้องเลื่อนลงมาเกิดเป็นเทศ พ, พอบุญที่ทำให้ได้เป็นเทศหมดไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นเศรษฐีกลับมาเกิดเป็นคนร่มรวยแต่เดี๋ยวก็ต้องตายไปตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ ถ้าไม่ทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามตายไปก็จะไปเกิดที่ต่าแทนที่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะมาเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรคือสั่งสอนให้ละบาปอย่าทําบาปบาปนี้มีอยู่สี่ห้าข้อด้วยกันหข้อคือศีลห้าคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลด การดื่มสุรายามาการกระทำเหล่านี้เรียกว่าบาปเพราะว่าจะทำให้เราทุกข์จะทำให้เราไปเกิดในที่ไม่ดีไปเกิดในอบายพระพุทธเจ้าจึงห้ามพวกเราไม่ให้ทำบาปกันจงละบาปทั้งปวงสัปปปาปัสสะอาการานังแล้วก็สงสอนกุศลาสู้ประสังปทา คือการทำความดีทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมความดีหรือบุญต่างๆคืออะไรเช่นการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองเรียกว่าบริจาคคือแบ่งความสุขแบ่งประโยชน์ให้แก่คนที่เขาไม่มีเพื่อให้เขาได้มีความสุขเหมือนกับที่เรามีกัน การแบ่งนี้ก็แบ่งในส่วนที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้คือเป็นของเกินเหลือของเกินของที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีก็ได้มีก็มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปทําประโยชน์ด้วยการทําบุญทําทานดีกว่าเพราะการทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนกับการ เอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารฝากไว้ในธนาคารเราจะได้เงินนี้คืนและได้ดอกเบี้ยด้วยได้มากกว่าเวลาที่เราเอาไปฝากเงินต่างๆที่เราเอามาทำบุญนี้จะเป็นของเราเราเอาติดตัวไปได้ด้วยและเวลากลับมาเกิดเราก็มาเบิกได้ด้วย เช่นเวลาเราตายไปบุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นเงินที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ก็คือไปสวรรค์นั่นเองถ้าเราไม่มีบุญและเราไม่ได้รักษาศีลเราก็จะไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าเรารักษาศีลแต่เราไม่ได้ทำบุญเราก็ยังไปสวรรค์ไม่ได้เราไปได้แค่ภพของมนุษย์ คือถ้าไม่ทำบาปแต่ไม่ได้ทำบุญเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่าเดิมไม่ดีกว่าเก่าไม่เลวกว่าเก่าเพราะบาปเราก็ไม่ได้ทำบุญเราก็ไม่ได้ทาถ้าเราทำบาปตายไปไปเกิดในอบายแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่เลวกว่าเดิมเพราะเราไปทำบาปเอาไว้เช่นอายุจะสั้นลง สุขภาพจะไม่แข็งแรงเหมือนตอนนี้อาการจะไม่ครบ32สองรูปร่างหน้าตาจะไม่สวยงามเหมือนตอนนี้นี่เป็นโทษเป็นพิษของบาปที่พุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้พวกเราทำกันแล้วก็ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราทำบุญด้วยเราก็จะไปสวรรค์กัน ไปเกิดเป็นเทพไปเกิดเป็นพรหมกันแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมากลับมาดีกว่าเก่าเงินทองจะมีมากกว่าเก่าเพราะเงินทองที่เราทำบุญนี้จะเป็นของเราแล้วจะมีมากกว่าเพราะมีดอกเบีย้ยให้ด้วยและดอกเบีย้ยไม่ใช่ดอกเบีย้ยต่าๆดอกเบีย้ยหลายเท่าดอกเบีย้ยมากกว่าเงินต้น เช่นเราทําบุญร้อยหนึ่กลับมาเราจะได้พันหนึ่งนี่คือดอกเบีย้ยนั้นเงินทําบุญนี้ไม่สูญไปไหนแต่เงินไม่ทําบุญนี่แหละจะสูญเก็บไว้เฉยเฉยไม่ได้เอามาทําบุญตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่มีบุญติดตัวไปไปสวรรค์ไม่ได้ไปได้อย่างมากก็แค่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่ได้ทําบา ถ้าทำบาป ก, ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นสุนัขไปเป็นแมวหรือไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกถ้าเราทำบาลดังนั้นให้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่าทำบาป ก, กันทำบาปมีแต่พิษมีแต่โทษทําให้เราต้องไปรับผลบาป ะที่มีชีวิตอยู่ก็มีความทุกข์ทรมานใจเวลาทำบาปแล้วไม่สบายใจเวลาไปโกหกแม่หรือไปขโมยเงินของแม่แล้วจะรู้สึกอย่างไรจะไม่สบายใจกลัวแม่จะรู้กลัวแม่จะจับได้กลัวจะจับถูกลงโทษถ้าเราอยากได้เงินก็ขอดีกว่าขอจากแม่ถ้าแม่เขาเห็นว่าควรจะให้เขาก็ให้เราเอง ถ้าแม่เห็นว่าไม่ควรจะให้ก็อย่าไปอยากได้เพราะแสดงว่าเราจะเอาเงินไปซื้อของที่เป็นโทษกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรานะถ้าอยากได้เงินถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่อยากจะไปเป็นแมวเป็นหมาก็อย่าไปขโมยเงินของพ่อแม่นะขอก่อนขออนุญาตบอกว่าอยากจะได้เงินไปซื้อของที่จำเป็น เป่นไปซื้อหนังสือมาอ่านไปซื้อดินสอไปซื้อกระดาษมาทำการบ้านขอก่อนอย่าไปรักอยากเข้าไปขโมยแล้วก็อย่าไปโกหกพ่อแม่เวลาหนีโรงเรียนพ่อแม่ถามว่าไปโรงเรียนหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้ไปครับวันนี้ผมหนีโรงเรียนเพราะว่าถ้าโกหกแล้วเดี๋ยวเราจะ ไม่สบายใจแล้วเราก็จะต้องโกหกอยู่เรื่อยๆเวลาทำผิดทีไรก็จะต้องโกหกและเราจะไม่เลิกทำผิดแต่ถ้าเราสาราภาพว่าผมทำผิดแล้วผมยินดีรับโทษก็จะไม่ได้รับโทษเต็มร้อยก็จะลดโทษเหลือครึ่งหนึ่ง <S <S ทำโทษเพียงครึ่งเดียวหรืออาจจะยกโทษเลยก็ได้ ถ้าเราสารภาพแล้วเราจะได้ไม่กล้าทำผิดอีกต่อไปถ้าเราทำผิดแล้วเราโกหกปกปิดไว้ไม่มีใครรู้ก็จะทำให้เราไม่กลัวเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะทำผิดใหม่แต่ถ้าเราสารภาพเรายอมรับผิดเราก็จะมีความอับอายขายหน้าว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดี ครั้งต่อไปเราก็จะได้ไม่กล้าทำผิดอีกนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ทำผิดไม่ทำบาป ก, กันให้เรามีความอายในการทำความผิดให้เรามีความกลัวกับโทษที่จะเกิดจากการทำผิดโดยมีโทษทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และมีโทษทั้งในขณะที่ตายไปตายไปก็ไปเกิดในอบาย เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลามีลูกก็จะถูกลูกโกหกเองมันต้องใช้กรรมกันไปเคยโกหกกับพ่อแม่ต่อไปเวลาเรามีลูกลูกก็จะมาโกหกกับเราแต่ถ้าเราไม่โกหกกับพ่อแม่ต่อไปเวลาเรามีลูกลูกก็จะไม่มาโกหกกับเรานี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมทำอะไรกับใครไว้อย่างไรก็จะได้รับ ผลอย่างนั้นต่อไปดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้คนมาขโมวยเงินทองเราเราก็อย่าไปขโมยเงินทองของคนอื่นถ้าเราไม่อยากจะให้ใครมาโกหกหลอกลวงเราเราก็อย่าไปโกหกหลอกลวงคนอื่นนี่เป็นกฎแห่งกรรมที่เราจะต้องใช้สองตอนด้วยกันตายไปก็ไปเกิดในอบายก่อนไปเป็นสุนัขไปเป็นแมวไปเป็นเปรดก่อน แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีกรรมเก่าติดตัวมาอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำบาปก็จะไม่มีใครมาทำร้ายเราไม่มีใครมาโกหกหลอกลวงเราไม่มีใครมาลักทรัพย์ของเราไปนี่คือศรัทธาความเชื่อที่เราควรที่จะมีต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเมื่อเราเชื่อแล้วเราจะได้ ปฏิบัติตามทำบุญ ล, ละบาปภพชาติของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติในสวรรค์ขึ้นสวรรค์พอลงมาจากสวรรค์ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมรวยกว่าเดิมแล้วก็มาทำบุญมาละบาปใหม่จนกว่าเราจะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ การจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องมาทำความสะอาดใจของเราใจของเราตอนนี้มันมีเชื้อที่ทำให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายเชื้อนี้เราเรียกว่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆกิเลสก็คือความโลภอยากได้ของต่างๆอยากมีของต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆ ความโกรธก็คือความเครียดแค้นความโมโหโทโสความหลงก็คือการที่ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่าโลภน่าอยากได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราอยากได้นี้มันเป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเรามันจะทําให้เราทุกข์มันจะทําให้เราเสีย อ, อกเสียใจ เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาจะต้องมีวันจากเราไปสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวตายไปก็ต้องจากกันร่างกายนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกับร่างกายนี้ไปร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาตายไปก็ต้องจากกัน ดังนั้นถ้าเราอยากจะชาระใจให้สะอาดพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรามองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นเที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของถาวรมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรียกเราเรียกว่าเป็นของเรานี้ ต่อไปวันข้างหน้ามันจะไม่ได้เป็นของเราดังนั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยมมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะได้ไม่โลภแล้วพอเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธความโกรธเกิดจากความโลภเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธอยากจะขอเงินแม่ไปเที่ยวแม่ไม่ให้ก็โกรธแม่ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เงินจากแม่แม่จะให้หรือไม่ให้เราก็จะไม่โกรธ ด, ดังนั้นถ้าเราจะไม่อยากโกรธใครก็อย่าไปโลภอย่าไปอยากได้อะไรแล้วให้รู้ว่าการดได้อะไรมาก็ไม่ดีได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาหมดไปก็อยากจะได้ใหม่ก็ต้องไปหาใหม่หามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดไปแล้วถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจ โกรธอีกนี่นี่คือการชำระใจให้สะอาดไม่ให้มีเชื้อที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปให้เราได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ไม่มีวันเสื่อมลงมาคือสวรรค์ชั้นนิพพานจะไปได้ก็ต้องชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการมาฟังเทศฟังธรรม แล้วก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทําบุญให้ละบาปให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้รับนางวันที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือได้ไปพระนิพพานไปที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไปที่ไม่มีความเสื่อมเป็นความสุขที่ถาวรไม่ใช่ความสุขชั่วคราวเหมือนกับ การถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งและปฏิบัติตา ม, มก็ขอให้พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธจเจ้ามาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่